นั่งสับพระ ง, งกมีหลายสาเหตุได้คนละกี่งกเมืเเอ <c oughs> เอ่อกี้เฮ้ยเอออ่านก็ได้ต่อไปต่อปัญหามีปัญหากี่ใบ Ừ, nào, อืม้าวสามไปแค่นี้ไปเครื่องชั่วโมองเมื่อกี้เราก็ชนะเด็ดขาดแล้วชิตังมีแล้วเมื่อกี้นะชนะแบบร่มรคุคลานเก้าอืมโอกาสครับคำถามเกี่ยวกับเล่นงานกับ งานปัจจุบันเกี่ยวกับการขายคือเป็นพนัก ง, งานขายและจะต้องโกหลูกค้าเช่นลูกค้าถามว่าถูกสุดหรื อ, อยังเราตอบว่าถูกสุดแล้วค่ะแต่จริงๆไม่เพราะต้องบวกกาไรจะบาดใหม่คนปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เป็นสีครับอ่าบวกกําไรเรื่องของเราก็าได้เขาไม่ได้รู้กับเราเนี่ยอ่า แต่เรารู้เขาไม่ได้ถามว่าได้กําไรไหมเขาไม่ได้ถามไม่ใช่เลยเขาไม่ได้ถามว่าเขาถามว่าถูกที่สุดถูกสุดหรืออย่างก็สุดของเราอะ่ะแต่ยังบวกกําไรอยู่เขาไม่ได้ถามว่ามีกําไรไหมเราบอกราขาดทุนขาดทุน ราคานี้เราขาดทุนเราขายให้ในราคาขาดทุนอันนี้อันนี้พูดเท็จชัดเลยอันเนี้ยเอต่อไปของการเป็นผู้ปฏิบัติเริ่มต้นครับเวลาผมทานข้าวหรือกวาดพื้นใจผมบางทีคิดเรื่องงานหรือเรื่องอื่นจริงๆแล้วผมคคิดเรื่องอะไรครับ แล้วก็พูดทุกระยะมามเนี่ยแหละไม่ทิ้งสติไม่ทิ้งสมรชัญญะเราอยู่กับงานงานที่เรากําลังทํางานอะไรเราก็อยู่กับงานนั้นลรากวาดอยู่เราก็อยู่กับกวาดทางความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่กวา่าอืม ให้มันรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยกวาดมือกวาดไปใจก็นึกไปเนี่ยแบบนั้นเ ข, เขาไม่เรียวกว่าปฏิบัติแบบนี้แหละที่พุท ธ, ธาทาสท่านว่าการทํางานเป็นการปฏิบัติธรรมคือทําแบบเนี้ยทําอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นอย่างเดียวเรื่องเดียวไม่ใช่มือก็ทําไปมือก็เขียนไปใจก็นึกล่องรอยอย่างเดียวไป บางทีเรื่องง่ายๆเราทําได้ใจมันะ่ะแอบเล็ดลอดไปนึกไปคิดเรื่องอื่นบางการเลดลอดไปได้มันสู้เราดํารงสติทุกระยะไม่ได้แต่ไอคำว่าดำรงสติอยู่ทุกระยะเ น, นี่มันไม่ใช่ง่ายมันต้องฝึกหัดต้องฝึกซ้อมอย่างที่ว่าดึงมาแล้วก็หลุดไปหลุดไปหมายความว่าอะไรก็หลุดสติน่ะสติมันหลุดเพราะสติมันหลุดแล้วก็มันดึงผู้รู้ไปอย่า ง, างนั้นแล้วเพราสติมันหลุด คือความมืดของจิตมันเกิดขึ้นแล้วมันหลุดออกไปแล้วรักวาศเราก็ควรจะอยู่กับกวาดล้างจานเราก็ควรจะอยู่กับล้างจานถ้าเราจะใช้ลักษณะวิปัสสนาก็ทูทูทูน้อทูน้อก่าดไปทูทูทูทูกวาูกวาดกวาดกวาดกวาดกวาด เดินเดินเดินเดินเดินรับทานรับทานเพราะฉะนั้นไอ้นอนๆเขาอาไปทำนี่ครับมันไล่กิริยาอาการออกมาันแต่เราให้ทําให้ให้ทําอย่างนั้นด้วยและเรามาเอาพุโธให้สงบอย่างเดียวด้วยมันมันจะได้กําลังมันจะเพิ่มพลังมันจะเพิ่มพลังอนั้นคือวิปัสนาวิปัสนาเพราะทําความรู้ ทางความรู้ในขณะปัจจุบันทางความรู้เช่อย่างเห็นก็เห็ น, นเห็นเห็นก็คือจักขูวิญญาณเกิด ค, ความรู้ภาพเห็นได้ยินพอได้ยินปั๊บเกิดโสตวิญญาณได้ยินเนี่ยได้ยินแต่เขาใช้คําว่าเห็นหนอดำรีหนอในครู บ, บาอาจารย์เขาเราท่านไม่ได้สอนหนอแต่ว่า ท่านให้เพี่ยงแต่รัลึกรู้รึกรู้จะว่าหนอไปมันก็ไปผิดดอกนอนี่มันมาจากคําว่าววกับตอตวเวนกับตอตะวะตะวะตักเลียว่าหนออ น, นิจจาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมันมีอยู่ในในแบบท่านมีอยู่อ น, นิจจาวัตะสังขาราสังขารสังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอวะตะแปละว่านอมัาจากคำว่าวัตะวาตะแปละว่านอเอาออกขอถามนครับท่านที่ท่านพระอาจารย์บอกว่ามีการจวดลใหายใจยุโตยุดหนอท้องหนอผมควรจะเลือกแบบไหนครับรลกันและวิธีปฏิบัติ เราก็เล oh, ือกที oh ่มันถนัดกัก um, ับนิสัยของเราเราเคยยุ่งน้องห้องนองมาจนจนติดกระดิ่งนิสัยแล้วเราก็จับตัวนั้นแล้วแต่ว่าให้มันอยู่สติสัมัชัญญใจมันอยู่มันรั่วอยู่ในนั้นเราเคยกาลังพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมากํากับด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกปั๊บแล้วจับปั๊บแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโททําไปจนเมือนกับ ไปเปลหลับสบายจนมันลืมอะไรไปหมดมันสงบมันอยู่กับอารมณ์มั น, ม, นมันเมื่อเมือกับเป็นหนึ่งเดียวแทนอะแทนความรู้แทนผู้รู้แทนอะไรอยู่เลยนะั้นเราจะถนัดกับอะไรเราจะถนัดกับพุโทโธเราก็เลือกพุโทโธเลยราจะถนัดกับพองน้อยยุบน้อยเราก็เราก็เลือ ก, กเอาพองน้อยนอแต่ข้อ แม้คือต้องมีสติสติตัวเดียวสติแปลว่าระลึกได้ระ ล, ลึกได้ระลึกระลึกได้ทุกขณะจิตว่าเรากำหนดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุทโธระลึกได้ทุกขณะจิตทุกขณะไม่ใช่มันหลุดหายไปสองขณะสามขณะไม่ใช่นํานเริ่มจะดึงไปแล้วนะ่ะหลุดหายไป ห้าขณะสีข่ขณะสิบขณะเนี้ยยังไม่รู้สึกตัวเองีกมันรุท้ายไปก็คือมันจางออกไปแล้วมันดึงออกไปแล้วเราสังเกตเราเองเถงอะ น, นี่มันสังเกตไม่ยากต่อสู้กันอยู่นั้นแหละเขย่ากันอยู่นั่นแหละอืมปัญห า, ยยานี้มันเป็นปัญหาที่เราทดสอบเราทดลองเราได้เราถามเรามาตั้งคําถา ม, มเขียนเป็นหน้าหน้าเราก็เขียนได้คําถาม แต่ถ้ามันไม่ผ่านการต่อสู้ของเราอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็เป็นการนึกคิดแล้วก็เขียนออกมาเท่านั้นคำถามเราถนัด ก, กับอะไรเราก็เอา่ปนะั้นท่านจริงเลือกสี่สิบองสมถะสี่สิบองไปเลือ ก, กดูดิอสุภสิป อ, อนุสติสิ อนุสติสิบอสุภสิบพรหมวิหารสี่ปฏิกูลและสัญญาอะไรต่อนสี่สิบห้องมีมอะไรบ้างไปไล่ดทีแล้วเราจะถูกกับจิตนิสัยอะไรเนเราจะเอาวิธีกำหนดพิจรารณาธาตุก็ได้ดิน จดินพจณาน้พิาณาลมพิจารณาไฟโดยเฉะพิจารณาเป็นผมก็ได้ผมเราจำอาการสามสิบสองได้แล้วกําหนดทํางานไปเลงานเหล่านี้มันเป็นงานภายในเป็นงานที่เอาใจทําทําเงียบๆคนเดียวกําหนดรอบผมให้มันผ่านไปผมขนทำความรู้สึกตัวทั่วรอมแล็บฟันหนังหรืดูแต่ผมอย่างเดียวผมผมผม เอาตัวผมนั่นแหละเป็นตัวเป็นตัวกสิณเป็นตัวกสิณคาว่ากสิณแปล ว, ว่าวัตถุสาหรับเพ่งตั้งว่ากสิณวัตถุสำหรับเพ่ ง, ง, ก, า ก, พงการเพ่งในภายในอย่างนี้มันทำให้เราได้รับประโยชน์รวมมาถึงการใช้ปัญญาด้วยทำให้เราเข้าใจไปเรื่อยคล่องแคล่วไปเรื่อย เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังที่สําคัญว่าพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่าสังเกตด้วยให้เห็นแต่ว่าสัก์้าว่าเป็นผมจริงๆเป็นขนจริงๆเป็นเล็บจริงๆไม่มีเราไม่ใช่ผมเราเล็บเราฟันเราหนังเรากะโหลกเราร่างกายของเราดินของเราน้ำของเราลมไฟของเรา สมมติมันเกิดมันเกิดความยึดมั่นถึงมันมันออกมาว่าเป็นของเราของเราพยายามจี้จาะดูไอ้เขาว่าของเราคืออะไรเป็นอะไรจาะดูตัวนั้นอีกอันนี้มันโลอขึ้นมาได้ยังไงจาะเข้าไปตัวนั้นคือตัวตันหามันแอบมันแอบติดเข้ามาด้วยมันแทรกเข้ามาด้วยมันละเอียดงานในภายในนี่มันเป็นงานละเอียดมันเป็นงานที่เราจะต้องไปตั้งอกตั้งใจกาลังจดจ่อทําจริงๆ เพราะฉะนั้นเวลามันออกงานมันออกผลงานขึ้นมามันถึงอุทานขึ้นมาได้ออตื่นเนื้อตื่นตัวจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่าการทำนี่มันเป็นการสร้างเหตุมันเป็นภาคเหตุเราต้องทำให้เต็มที่ธรรมานุธรรมปฏิปฏิแบบที่เราว่าเมื่อเช้าเนี่ยหมายว่าเราจ ะ, จะตั้งใจปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้รับผล ผลทั้งหลายมันจะพิงเกิดขึ้นตามที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจทําตั้งใจทำํำหยาบมัก็ได้แค่หยาบหยาบเรื่องมันก็ได้ละเอียดอตั้งใจทํามากมันก็เข้าใจมากรู้มากไม่ตั้งใจทําเลยมันก็แป๊บมันหลุดไปแล้วแป๊บมันกหลุดไปแล้วแป๊บมันหลุดไปแล้วอืตั้งใจทำํำ <c oughs> ขอการแล้ับต้องตามสุดท้ายครับปล่อยสังแล้วไปรับประทานสัตว์ประเภทที่เราปล่อยจะ บ, บาดใหม่เช่นปูทะเลปลารุ่นเจ้าท่านยังส่งให้พระชั้นชั้นเนือชั้นปลาได้แต่ยกเว้นไม่ได้เห็นไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อเรา ไม่รังเกียจสงสัยว่าเขาทำสดๆร้อนๆมาให้เราท่านไม่ได้ห้ามตามเทวทัตนะเทวทัตขอว่าห้ามพิสุชันเนื้อฉันปลาไปขอพุทธิยาพุทธจ้าไม่ให้พุทธิยาว่าพิสุชันได้แต่ว่าต้องพิจารณาฉันเนื้อฉันเนื้ออะไรบางทีไปเห็นเนื้อเห็นเนื้ออย่างหนึ่งสําคัญว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่กันี่ก็บั้งทั้งเนื้อน่ะมันเป็นเนื้อถูกเป็นเนื้อขวด เราฝืนฉันเข้าไปด้วยเหตุที่เราสงสัยปรับอาบัติเรียก ว, ว่าฝืนสองสัยแล้วฝืนทำลงสงสัยแล้วฝืนทำลงเราพูดให้ง่ายงองพระอย่างนี้มันละเอียดถ้าเรายังคิดอยากมันอยู่นรับรับอะไรมันก็ผิดทั้งนั้นเลยยิ่งเขาไปชี้เป็นตัวๆนี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้ <c ười> เราเดินหันหลังให้ซะหน่อยเดือดปดปดปดปยกไปควันขมุ่งไปให้เรา นานอันนี้เป็นยังไงอันนันมันชัดๆเลยลนหละอันนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีนะระนุกความพิสดารของมนุษย์ทําทำไมทำเลออ่งงาเอาเงนรู้อย่างไหมคนที่เขาทำแล้วเขาทำเลออ่งงาเอาเงินเราเห็นนู่นะเราไปน้าโขงเราไปเห็นเขามีม เ, ขเขาเลี้ยงใส่เป็นจบใส่ทพิจกเอาไวาเ้เนี่ย แล้วไอูที่จะบริโภคไปชี้เอาเอาตัวนั้นเอาตัวนั้นตัวนั้นหลังจากชี้เสร็จอันนี้ก็จัดการแล้วนี่อันนี้คือเจตนาเต็มร้อยเจตนาเต็มร้อยนี่คือสั่งฆ่าสั่งฆ่าเพราะตัณหามันหิวสั่งฆ่าเรารเคยปล่อยปลาตัวไหนเรารไปบริโภคสัตว์ประเภทเดียวกัน ให้เราให้เรามีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจะดีมากให้เราบริโภคสัจวรรมเป็นธาตุเหมือนอย่างที่จะให้พระพิจารณาเยโอ้เยี่ยมเลยสัจธะเป็นธาตุธาจริงๆเนี่ยสัจธรรมเป็นธาตุจริงๆที่เป็นก้อนที่เป็นแท่งก็เป็นดินที่เป็นน้ําก็เป็นธาตุน้ําที่ร้อนๆก็เป็นธาตุไฟสัจธรรมเป็นธาตุอาหารอะไรก็ตามที่เข้าปากเราเนี่ยสัจธรรมเป็นธาตุสัจธรรมเป็นธาตุ เพราะร่างกายของเรานี่ยธาตุมันบกพร่องดินน้ำลมไฟมันบกพร่องที่มันบีบตัวเราก็มันหิวหิวหิวแท้ที่จริงก็คือมันมันขาดธาตุมันบีบตัวของมันเองเราก็ว่าหิวหิวหิวหิวแต่ถ้าดูให้จริงจังเข้าไปแล้วไม่มีอะไรเห็นมิติเวทนาถ้าเราถ้าเราเคยเข้าใจเรื่องเวทนาถ้าเราต่อสู้กับเวทนาเราจะอดเท่าไหร่ก็ได้เวลามันปวดมันแสบ มันหิวมันอะไรขึ้นมาเราเห็นแต่ตัวเวทนาจิตกับพันอยู่แต่กับเวทนานั้นเวทนาคือเวทนาเวทนาเวทนาคือความเจ็บความปวดดูเวทนาที่กายทุกขเวทนาที่กายเพื่อไม่ให้ทุกเวทนาที่ใจเกิดขึ้นถ้าใจมันพลอยยึดยึดทุกขเวทนานั้นด้วยแสดงว่าใจพลอยมีทุกขเวทนาด้วย ปัหามันสวมรอยเข้าไปยืดแล้วว่าเราทุกข์เราทุกข์เราทุกข์เราทุกข์เราสักที่ว่าบริโภคเป็นธาตุเป็นธาตุเราเคยปล่อยควายปล่อยบัวเนี่ยปล่อยหมูเนี่ยปล่อยควายปล่อยบัวเนี่ยเราไปเราไปบริโภคเนื้อเราก็ไม่ได้เห็นเนื้อเป็นตัวตัวเท่ไหรเห็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเราต้องการบริโภคอันนี้เราต้องการบริโภคอันนี้ มันจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นมันเขาทำเด็ดสาเร็จมาแล้วเรื่องของเขาคนที่เขาทำมันไม่ใช่เราแต่ถ้าเราไปสั่งเอาตัวนี้นะปลาเป็นเป็นเนี่ยเสร็จแล้วเขามันตีปอกๆนะมัต้มเดือดขมงเนี่ยอันนี้ใช่แน่แนเลยเลยไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ไ ด, ไได้ไม่รังเกียจสงสัยเหมือนอย่างพระไปเห็นแป๊บนึงอ๋ออันนี้อันนี้งานนี้ อาจจะเป็นควายอาจจะเป็นบัวเขาทําตามปกติของชาวโลกเขาเราเขาไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะฆ่ามาเพื่อเลี้ยงเรา เ, เขาทําขายซื้อขายตามเรื่องราตามเราเราไม่รังเกียจเราไม่สงสัยเราก็บริโภคได้พุทธเจ้าท่านให้บริโภคได้ยิ่งเราปองล ง, ลงโอษฐธรว่าเป็นธาตุเลยแล้วถ้าเราไปหลบสิ่งเหล่านี้เราความเป็นอยู่ของเราก็ลำบากความเป็นอยู่ของเราก็ลำบาก แล้วลประเภทกินเจก็เหมือนกันถ้าเรากินเจแล้วเราไปมีความนึกตาหนิคนที่เรากินเนื้อนี่คือความกินเจของเราไม่บริสุทธิ์มันปรยกตนของท่านกินเจสันเจบางสาวิรัตนะบางสาวิรัตนี้บางคนก็ถนัดกับบางสาวิรัตเออเราฉันเรารับเรารับอย่างนี้มันเทา่าเรามีเมตตาดี ไว่าเมตตาในทนี้เนี่ยเรามีเมตตาจริงๆแต่เราอย่าไปเอาลักษณะการบริโภคของเราเไปจมที่คนอื่นนะคนนั้นเป็นผีเป็นเปรตเป็นยักษ์กินเลือกินเนื้อก็ <c oughs> เพราะพวกนี้กินเนแหละเขาถึงฆ่าแน่เราไปไล่เหตุผลปัจจัยอย่างนั้นเราไปสรุปยอดแบบนั้นไม่ได้ไม่ถูกเพราะว่ากรรมทั้งหลายมัน มันมีเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนข้ามันเราไปโยงใส่กันหมดอย่างนั้นมันไม่ใช่มันขาดช่วงนั้นอ่ะพะคนนั้นทํามันก็ขาดช่วงไปแล้วเป็นเรื่องของของคนนั้นพอคนนี้คนนี้ไปบริโภคมันก็เป็นเรื่องของคนนี้ยกเว้นแต่เราไปสั่งไปสั่งเอาไปช่อนสมมติเราเราไปสั่งปลาเนี้ยเราไปสั่งปลาเราต้องการปลาท่านั้นกิโล و, ท่านี้กิโล ต้องการปลาตายเ ท, ท่เาทนี้กี่โลเท่านี้กี่โลเราต้องการปลาตายเนี่ยเราไม่ได้สั่งให้เขาทบที่ไหนอันนี้ก็เป็นปิยะวาจาอ่าเป็นปิยะโภคปิยะเป็นกัปิยะโวหารคือเป็นโวหารที่ควรเราต้องการเนื้อเนื้อนี่คนอื่นเขาฆ่ามาแล้วกรรมมันขาดช่วงไปแล้วเป็นของคนอื่นแล้วอัที่เราไปเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งของเราต่างหากเราไปยองใส่กันไม่ได้ การไปยองใส่กันไม่ได้ไม่ถูกด้วยเหตุอย่างเงี้ยพวกเราหลงเกี่ยวกับเรื่องกรรมอยู่รั่งไปยามจะเอากรรมของเราไปปนเปื้อนกับกรรมของของคนอื่นกรรมเอากรรมของคนอื่นยองกรรมของคนนั้นคนนั้นคนนั้นไปยองใส่กันแล้วก็เล่นงานกันไอคนหนึงก็บอกว่าเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราไม่ยองเราไม่รู้เราไม่รู้ก็เหมือนอย่างเราไปเดินตามคนไม่ดีเดินตามขโมยเดินตามคนที่เป็นโทษเป็นนักเลงเนี่ย เราเดินตามโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาไปทำผิดอะไรมาเนี่ยเดินเดินตามกันไปพอตํารวจเห็นพบทาฟาดทั้งหมดเลยรวบทั้งหมดเลย <c oughs> เอาเราไปทบปุบไปตีกันแหลกเราไม่รู้เราไม่รู้พอเวลาก็เราไม่รู้จริงๆเนี่ยไม่หนี่ท่านจริงไม่ให้คบไม่ให้ครบคนพานมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะในแง่ของเหตุผลมันซุ่มเดามันทําเอางี้ยมันรวบไปหากันหมด แต่ปกติกรรมของไข่ของมาันคนนั้นทำกของคนนั้นคนนี้ทำกของคนนี้แต่แต่ถ้าสมคบคบคิดสมคบอคิดร่วมกันอันนี้เป็นกรรมร่วมใช่ลหมปรึกษาหารือกันเออต้องอย่างนี้ที่เออต้องอย่างนั้นที่เออต้องอย่างนี้ปรึกษากันไปปรึกษากันว่เออย่งงางนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่า ง, ง, อ ง, อา ง, งนี้อันนี้ก็เรียกปรึกษาหารือกันอเอาอย่งงางนั้นที่ มีสมมเจะฆ่าจะฆ่ า, า ค, นคนใดสักคนใดส่วนไอ้คนนึเออเลยต้องระเบิดอเออต้องปืนไอ้คนมีดไอ้คนโอน้ยแค่กระบอกก็พอแล้วสามสี่คนเนี่ยผิดหมดผิดทั้งหมดมีพยาบาทกับเขาทั้งหมดเลยมีพยาบาทกับเขาทั้งหมดรัติยาวท่านไม่ ย, ยงมกรรมไปต่อเนื่องกัน ดูแต่ท่านพูดถึงพระสั่งพระสั่งให้ให้ให้คนเขาไปฆ่าสั่งนายกอไปฆ่านายขอยพระสั่งสั่งคืนนี้นะคืนนี้คุณจัดการนะสั่งนายกอไปฆ่านายขอยคืนนี้คุณจัดการนะแต่คืนนั้นนายกอไม่ได้จัดการเขาไม่ได้จัดการคืนนั้นเขาไปจัดการคืนหลังนี่ก็ะทืบผิดแล้ว ไม่ไม่ตรงตามตามคําสั่งแล้วถ้าเขาไปจาดการคืนนั้นพระองค์นี้ต้องอวับประราชิกแต่ถ้าเขาไปจัดการนอกเนื้อไปจากนั้นต้องอวับรองรองลงมาเนี่ยดูเหตุผลมันขัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นช่วงเป็นช่วงนี้เราหักพิจารณาอย่างนี้เราจะเพิ่มความฉลาดขึ้นมาอีกนเราจะเพิ่มความเข้าใจขึ้นมาอีกยิ่งเราพิจารณามาข้างในด้ยแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุผลเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นรอบเป็นรอก เหตุเป็นผลผลเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นระลอกเป็นระลอกเป็นระลอกเป็นระลอของมันมันมันเป็นมันเป็นคนลช่วงมันเป็นคนลช่วงของมันแต่มันก็อดอดจะกระทบกระเทือนไม่ได้เหมือนกันแหละยกตัวอย่างเช่นอย่างเรืออันเนี้ยเรือเรือมันก็แวกน้ําแค่ตรงนี้ท่านว้าแต่น้ําตัวนี้มันมีพลังกระตีเป็นระลอกป๊ปป๊าปป๊าป ไปตีแพไปตีเรือไปตีอะไรต่อะไรเอาตีเรือเขาจมเท่าอะไรแต่อะไรจะทําไงในในแง่ของการพิจารณาคนนี้เป็นต้นเหตุเขาก็เขาเขาก็เขาก็เอาคนนี้ได้เขาก็ด่าได้เขาก็อะไรได้แต่ในแง่ของคําสั่งเหมือนอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าผิดไปจากเวลาสั่งจํากัดเวลาสั่งจํากัดบุคคลสั่งจํากัดวัตถุถ้าผิดไปจากนั้นก็อาบัแตแทนที่จะเป็นอาบัติ รองลงไปแทนที่จะเป็นปราชิตรองเราไปท่านพูดเนี่ยถ้าพูดตามเหตุผลคือเหตุผลเนี่ยเราไปโยงใส่กันไม่ได้ด้วยเหตุด้วยด้วยการที่เรายงเหตุผลเข้ากันปริจาราเหตุปริจาราเหตุผลที่ที่ที่ไม่เข้ากันเนี่ยอจึงจึงทําให้พวกเราเนี่ยบาที่กล่าวหากั น, นมันก็โยงเหตุผลได้เราไปดูพวกเขาทางานดิอนะพวก พวกพวกอายการพวกพวกผู้ฝึกษาพวกทนายความพวกอะไรตัวอะไรเราดูไปทํางานเขาโยงเรื่องโยงราวเข้าหากันแล้วก็ไม่ยอ์ตามนี้นะเพราะคดีบางคดีเนี่มันกล่าวหากันเฉยเฉยแล้วก็ทิ้งให้คนนี้แอบคนนี้ไปสอบหาเรื่องหาราวเนหัวหมุนหัวแตกหัวรานข้างแตกไปตามๆกันนี่เห็มนุษย์เราแกล้งกันได้ไงนะ่าย ไอ้คนหนึ่งกล่าวหาอ้าวกล่าวหาเดี๋ยวกเกาเรียกไปต่สวนเดี๋ยวก็เรียกไปไต่สวนเดีวจริงไม่จริงไม่รู้เละบางทีคน ด, ดีไม่มีอะไรเลยเนี่ยกล่าวหาเนี่ยหัวให้มันวุ่นไปตลอดกล่าวไปกล่าวมากล่าวมากกล่าวไปอ้าวอันนี้กลายเป็นว่าปัญญาไม่พอแก้ไม่ได้ทั้งที่เข้ากล่าวหาไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยโดนเข้าคุกจนได้ <c oughs> นันเป็นอย่างงั้นน่การกแกล้งกันอย่างนี้ก็เป็นโทษได้เหมือนกันแต่โทษโทษที่หนักที่สุด หรือต้นตอของเหตุเกิดจากจะเกิดจากอะไรก็เกิดจากคนกล่าวหานั่นแหละไอ้คำว่ากล่าวหานี่มันมีเหตุผลไม่สมประกอบบางที่ไม่เห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหลักฐานก็ว่าเห็นไม่เป็นอย่างนั้นก็ว่าเป็นอย่างนั้นไม่เห็นไม่เป็นนี้ก็ว่าอย่างนี้คือกล่าวหลักฐานเท็จกล่าวหลักฐานเท็จเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความยุติธรรม ตามหลักข้อกฎหมายจึงไม่เหมือนความเป็นธรรมชอบทําด้วยด้วยด้วยทำด้วยวินัยชอบทําด้วยวินัยก็คือต้องประกอบไปด้วยสัจจะถ้าผิดไปจากหลักสัจจะก็คือไม่ใช่ถ้าเป็นเรื่องของสัจจะจริ ง, จ ร, งจริงแน่วตามเรื่องนั้ น, น, นต้องอย่างนี้ถึงจะใช่แล้วกรรมกรรมให้ผลกรรมมันให้ผลตามสัจจะเพราะผิดสัจจะปั๊บกรรมมันก็ไม่ให้ผลกรรมไม่ให้ผล สัจจะนี้จะเที่ยงตรงมากสัจจะสัจจะจะเที่ยงตรงทํญญายังไงเป็นอย่างงั้นทําไงเป็นงั้นทําไงเป็นงั้นทําแล้วกลบเกลื่อนแต่ว่าความจริงยังปรากฏอยู่ยังมีอยู่เวลามันให้ฝนก็ให้ผลตามนั้นน่ะตามความเป็นจริงนั่นแหละตามเหตุผลนั่นแหละวันที่ไปกรบเกลื่อนกรบไปกรบม า, มากิเลสมันก็พลอยดีใจไปด้วยเออเรากรบได้แล้วเรากรบได้แล้วคนนั้นไม่รู้คนนี้ไม่รู้ก็พลอยดีออกดีใจ ขึ้อนอกขึ้ใจแต่เวลากรรมมันให้ผลมันไม่เลือกมันฟาดเลย ก, กรรมสิ่งที่ให้ผลที่ละเอียดที่สุดมีพลังที่สุดคือกรรมให้ผลข้ามภพข้ามชาติได้กรรมแล้วก็ให้ผลตรงแนวตระหละักสัจธรรมใครทําคนนั้นได้รับเพราะใจเจตนาเกิดขึ้นจักใจดวง น, นัจากใจคนนั้นคนอื่นที่ไม่ได้ทําก็ไม่ได้รับ มันเป็นเรื่องหลักของธรรมเท่านั้นหลักเหล่านี้เราศึกษาข้างในเราจะเข้าใจเราจะแตกฉานเราจะรู้เราจะจหลักของเหตุของผลเนี่ยแหละมันจะกระจายมันจะแตกไปจายขยายไปหมดจับเหตุจับเหตุเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลนี่มันสี่มองแล้วนั่นเนี่ยเหมือนอย่างที่เราพูดเนี่ยเราพูดเราก็พูดเราก็จับเหตุจับผลจับเหตุจับผลจับเหตุจับผล ถ้าเราไปดูหนังสือมามาว่ามันจะได้พอ10นาทีอะไรมันก็หมดแล้วใครจะไปเอาความจําที่ไหนไปจับเหตุจับผลจับเหตุจับผลจับเหตุจับผลที่เราพูดจับเหตุจับผลข้างในที่เราก็พูดไปตามนั้นอจับเหตุสาวไปหาผลจับผลสาวไปหาเหตุขยายไปขยายมาอยู่กับสองเรื่องนี่แหละอยู่แค่สองเรื่องเองคือเรื่องเหตุกับผลเท่านั้นเอง เอาวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะระยะนี้วละนี้อ่ามนสี่โมงเนี่ยเราขึ้นมาตั้งแต่บ่ายโมงห้าสิบมาหาสิบรือเปล่าฮะหรือบ่ายสองเราลงมาบ่ายสองโอเมันกี่บ่ายสองบสองนาทีันนี้มันสองชัวโมงัวโมงแต่มันได้เวลา ตามเวลาเขาเนี่ย เ, เขาจะมนันยุติแค่สิบห้าจากสิบสามมาสิบสี่สิบห้าอันนี้ขยับมาจากสิบสี่มาสิบห้ามาสิบหกนะครับทุกทเตรม ต, ตัวนะครับร้องไหแล้วกราบครับกราบแล้วก็ไปพักเท่าไหร่พักหนึ่งชั่วโมง เรก็เดินจงรเราเข้ามาตอนไหนอีกหนึ่งทุ่มเหรอี่มมติจหนึ่งทุ่มนมโมต้องสามชั่วโมงแต่ผูให้เข้ามาก่อนโมง4้บ้าแล้วก็จะพาเดินจงกรมสั้นช่วงหนึ่งเดินจงรมก็ให้นั้งใจเดินนะเดินจงรมต้องอย่าเดินืเดินทรง เดินจงกลมนี่เนี่ยมันเป็นวิธีการที่มัดจิตของเราได้อยู่จริสติในขณะที่เดินเดินเดินจงกลมเดินมีสติให้มันมีสติทุกก้าวให้ตั้งใจตั้งใจเพราะกันคนเรามันเด็ดขาดเพราะความตั้งใจนะคนที่ไม่จริงไม่จังไม่เด็ดไม่ขาดเพราะความตั้งใจไม่เด็ดขาดคนที่เขาเด็ดขาดเพราะเขามีความตัดสินใจ ตั้ง อ, อกตั้งใจจริงจังเด็ดขาดเราเราเริ่มฝึกไปจากเรื่องเหล่านี้งานเหล่านี้แหละเอาไว้อยู่เอาไว้อยู่เอาให้ได้อย่างใจเอาให้ได้อย่างใจเหตุเราสร้างได้ให้ได้อย่างใจผลเนี่ยแล้วแต่มันจะเกิดเราไปคาดผลไม่ได้เมรัยสงบเมรัยสงบเมรัยสง บ, สงบลืมพุโทโธแล้ว <laughs> เอา้า กลับเมื่อกี้กลับแล้วใช่มั้ยอ่มกลับเร็วกว่าไปแหละ